พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตาและหลงศักดิ์ขีณาละโยต่อเมื่อรู้สักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นเราจะไม่มีตอนที่หนึ่ง ย่เีคือเรารู้ว่าเมื่อยว่าเสพแต่ก็ไม่อยู่แต่คือปล่อยอยไม่แน่ใจว่านี่คือทําถูกทางมาหรือยังค่ะคือวันนี้คือจะปฏิบัติไม่ไม่เหมือนเดิมที่เคยปฏิบัติมาเพราที่ผ่านมาปฏิสุขแล้วก็จะคิดแค่ว่า mm hmm. เราไม่มีตัวเราทุกอย่างเป mm hmm. ความว่างเป่านั้นที่คิดแต่ว่าวันนี้มันเหมือนเป็นวันแรกที่รู้สึกจริงๆว่าเหมือนเราไม่มีตัวเราจริงๆนะคะไม่รู้มันถูกหรือยังคะ เหมือนกับว่าพาอย่างเดินตรงกลมเนี่ยค่ะที่ไปเดินให้ใจดีก็เหมือนกับพยายามคิดว่าไม่ยึดไม่ยึดตัวเราเหมือนกับรู้สึกเมื่อยเดินไปรู้สึกหนาวก็รู้สึกแต่ว่าเหมือนกัว่ารู้สึกแต่ว่ามันก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยคือเป็นตัวของเราที่หนาวที่เมื่อยแล้วมันก็เหมือนเป็นครังแรกที่ ที่ทํามาทางเนี้ยค่ะก็เลยอยากว่าเอออันเนี้ยคือมาถูกทางอย่ยที่หลวงตาสอนและชาวลพบ้านที่พยายามไม่ติดสุขแล้วอย่างวันนี้มาอยู่ที่นี่มันก็ถูกค่ะคือเหมือนกับว่าห้องน้ำอะไราเงี้ยคือเหมือนกับหนูก็่เคยได้อยู่ที่สบายอันนี้ก็พยายามแบบไม่ไม่ยึดว่าเราจะต้องเจอแบบที่ดีๆคือเราเจอในที่ไม่สบายบ้างก็พยายามอยู่ให้มันได้ก็คือเหมือนกับว่าอย่างตอ น, นนั้นที่เคยไปทําทีทีที่บ้านตอองนยค่ะกลับมาก็รู้สึกตัวเองไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลย เหมือนกับมีอะไรที่เคยมีมาแต่เดิมเราก็เอามาใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้นค่ะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะทันไหมถ้าเกิดเราจะพัฒนาตัวเองเราต้องทอํายังไงคะก็ะปล่อยวางทุกอย่างไปได้ใจเป็นกลางก็ดีแล้วจะมาอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้อยู่ไหนก็อยู่ได้เพราะใจไม่ยึดใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางไม่จะมาทําใจนิ่งๆจําใ จ, จใว่างๆนะหมายถึงว่าใจเป็นกลางกับทุกสภาว่ทาทั้งภายนอกและภายใน วันนี้ไปเดินกับน้องเงี้ยค่ะไปเดินกับน้องยกนะคะก็คือเหมือนกับก็ให้เราไม่เหมือนกับคิดว่าเราไม่ยึดที่ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยที่รูคิดอะมันถูกไหมหรือคิดยังคิดไปเองไม่ใช่ว่าเราไปคิดไม่ยึดแต่ถ้าเรายึดเราก็เราจะอาจจะนำ่องคิดนำ่องอย่างนั้นก่อนแต่ที่ถูกก็คือว่าตัวเราผู้คิดไม่มีผู้มายึด เข้าใจไหมคือไอ้ก mm <h. S 2> <recess> ่อนที่เราไปคิดว่าไม่ไม่มีตัวตนของผู้มายึดไม่มีตัวตนของผู้มายึดให้เราพยายามท่องเนี้ยรู้สึกเก่งในใจอ่ะมันก็เป็นการนําร่องไปก่อนนั่นเงแต่พอถึงข่าวมันเป็นแล้วเนี้ยมันเป็นจริงๆก็คือไอ้ตัวเราเนี้ยไม่มีคนมายึดจริงๆ ไอเราผู้ที่คิดว่ามันไม่มีตัวตนผู้มายึดไอตัวผู้คิดว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราผู้มายึดไม่มีตัวเราผู้มายึดไอตัวที่เหมือนกับรู้สึกแล้วก็บอกกับตัวเราว่าเพียงบอกกับตัวเราว่าตัวเราไม่มีผู้มายึดเนี่ยแล้วที่สุดนเราะมันเป็นจริงไงตัวเราผู้คิดยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่มีผู้มายึดตัวเราผู้กําลังคิดว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรามีแต่ตัวเราผู้คิดไปอย่างนั้นเน่ะแต่ไอตัวเราผู้คิดว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราเนี่ย มันไม่มันกลายเป็นตัวเราเป็นผู้คิดแต่ไอตัวเราจริงๆมันไม่มีผู้มายึดไอตัวเราที่กาลังคิดว่าเป็นตัวเราต้องแก้เลยค่ะต้องแก้เลยคะคือต้องไปรู้สอนอีกทีเลยไม่ต้องรู้นี่เพราะไม่มีตัวผู้รู้นี่มันมีแต่ตัวเราไม่มีใครมายึดแค่นั้นแหละไอตัวเราผู้คิดผู้นึกผู้สึกผู้ตอมมันไม่มีใครมายึดเนี่ยเพราะเธอก็บอกแล้วแน่ มันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราเวลาพอมันมีความคิดความนึกความตึกความต่อม้ตัวเราพูดนึกนก็ไม่มีใครมายึดคงปล่อยมันคิดนึกอย่างเงี้ยเห็นอยู่รู้อยู่แต่ไม่มีใครมายึดไม่ใช่ไปสร้างผู้รู้มารู้นะถ้าที่ทำอย่างเงี้ยยที่เดินตรงกลมลปฏิบัติต่อไปทำแบบนี้ถือว่าพอไปได้นะคะก็ต้องฝึกไปจนทั้งเนยเห็น เ, เ, เ, <c oughs> เราเนี่ยที่แสดงความรู้สึกนคิดทุกกิริยาการตลอดเวลาในปัจจุบันไม่มีผู้มายึดเพราะตัวเราไม่มี ถ้ามีเรา ม, ามีตัวเราผู้มายึดเราก็ต้องละว่าเราผิดแล้มันจะเกิดตัวเราไม่มายึดไม่มีตัวตนมายึดก็เลยจะต้องไม่ไมเอาหลงเอาตัวเราเป็นผู้ปรุงแต่ง <S <S ถ้าหลงเอาตัวเราเป็นผู้ lately, ไ, ปไปปรุงแต่งเนี่ยไปคิดไปนึกไปติดต่อไปปรุงแต่งเนี่ยมันจะมีตัวเรา <S 1> <S 1> แต่เราก็ต้องอาศัยช่วยมันคิดอย่างเนี้ตั้งแต่แรกก่อนว่าตัวเรามันไม่มีไม่มีตัวเราคงมีแต่ขาน่าแสดงกริยาการแล้วมันตัวเราไม่มีตัวเราผู้มายึดเราก็จําไว้ได้ แล้วก็บอกสอนใจเราใหม่ๆต่อไปเนี่ยคงเมื่อไม่มีตัวเรามายึดมันจึงไม่มีตัวเราที่ไปแสดงความรู้สึกไปคิดอารมณ์อะไรได้คงมีแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นกายเนื้อเนี่ยมันคิดนึกติดตอตร ง, แ ต, งแต่มันไม่มีใครมายึดจริงๆไม่มายึดแต่กายเนื้อที่กำลังคิดอะไรอยู่แล้วในตัวเราผู้ผู้กำลังคิดติดต่ออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยที่กำลังคิดนึติดต่อมันเป็นสิ่งที่เป็นขันห้าไม่มีใครมายึดไม่ ม, มีไม่มีใครมาลองรับไม่มีใครมายึด เพราเราไม่ใช่ขันห้านี้ขนันหน้าที่เป็นพู้คิดถูกตองเนี่ยตัวเราที่คิดถูกตอไม่ใช่ตัวเรามันเป็นขนันหน้าแต่เราไม่ใช่ขนันหน้านี้คืเเ อ, ร อ, อเราไม่ได้เป็นอะไรเล <S <S อืมใช่เราไม่เป็นอะไรเลยเพราะไม่มีอะเราไม่มีเราจึงไม่เป็นเลยมีแต่ขนันหน้าใช่ ชีวิตยังไม่ตายก็ต้องทำหน้าท <Yes. S 1> ี่ที like like ่สมบูรณ์ทำหน้าที่ภรรยาหน้าที่สามีหน้าที่ลูกที่ดีต่อพ่อแม่ถ้าเรามีลูกก็ต้องมีหน้าที่แม่ที่ดีต่อลูกแต่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีตัวเราเป็นอะไรเลยแล้วไม่มีตัวเราไปถึงอะไรไม่มีตัวเราได้อะไรไม่มีตัวเราเปรู้อะไรเพราะไม่มีตัวเรามีแต่ขันห้าอนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์แต่ไม่มีตัวเราในขันห้านี้ เดินทางไปนเรื่อยๆในท้ายที่สุดปลายทางคืออะไรคะหวังว่าเราไม่ต้องไม่ <S <S ไ ม, มีปลายทางเพราะไม่มี ต, <ๆ>ตัวเราแต่แรกมีแต่ขันห้าที่ดำเนินชีวิตอยู <fish> ่<ๆ>ไม่มีต้นทาง<ๆ>ไม่มีปลายทางเพราะไม่มีตัวเราตลอดการมีแต่ข<ๆ>ันห้าที่ยังทํางานต่อไปจนกว่าที่จะอยูย่ใครแต่ไอตัวเราความเป็นตัวเราไม่มีมันก็ไม่มีตัวเราอยู่ด้านในก็คงเป็นความไม่มีตัวเราตลอดการอยู่ด้านใน คเคยบอกว่าให้หนูมาฝึกอะค่ะคือจะได้พัฒนาความรู้ที่มีนะคะไม่เดินหนูต้อ ง, องก็นี่แหละคือตัวนี้ละะใช่มีโอกาสพัฒนาได้ได้ะคะถ้าจะทำนั่นก็ถือ่พัฒนาแล้วก็ววพัฒนามันจะรู้เห็นกระจ่ายงี้ก็ถือพัฒนาประสเการ์แล้วทอมมื่อก่อนจติดสมถะ ค, ะค่ะอือนอนอนนน อดติดสมถะเราสบาย อ, อ, อันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้ว ม, มันจะเป็นไงก็เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันจริงแบบว่ามันเป็นยังไงก็ไม่มีใครไปยึดอะไรเห็นมันจะอยู่อย่างนี้นงะไม่ว่าจะมีอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องไม่มีใครไปยึดมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของขันห้า ไปยืดเสีงค่ะบางทีเมื่อยบางทีเหนื่อยก็มีว่าเราเหนื่อยเป็นตัวทีเหนื่อยก็มีเพิอมการมีขาดสติไปแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราเผลอเรขาสติเข้าไปเป็นผู้ปรุงผู้ผูสเตเดงอาการเป็นขาดหน้าเราก็รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ละทิ้งไปแล้วตัวเราก็ไม่ปรากฏตัวเราเลยมีแต่ขาหน้าต้องแสดงอาการปรากฏอาการแต่ตัวเราไม่ปรากฏอาการแต่เดี๋ยวเราเผลอไปปรากฏอาการเดี๋ยวเราก็เอามาเราก็ละไป ตัวเราไม่ปรากฏอาการใดๆไม่มีตัวเราปรากฏอาการไม่มีตัวเราปรากฏขึ้นมาเลยตัวเราที่เป็นแสดงแอคชั่นแสดงกิริยาการไม่มีเลยมีแต่ขันห้าเขาแสดงอาการหรือจิตเขาแสดงอาการแต่ตัวเราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันยังมีแบบบางทีเวลาเดินแล้วมันได้ยินเสียงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีความกลัวที่เป็นตัวอะไอยู่แม้แต่คนกลัอ้ความกลัวความอะไรมันก็เลยเป็นขันห้ากลัวแต่ตัวเราไม่มีรับซิไม่มีตัวเรากลัว ความกลัวที่แสดงกิริยาการได้เป็นของขันห้าหมดที่ปรุงได้แต่เอ๋ความไม่มีตัวเรามันไม่มีใครปรุงได้ดังนั้นความกลัวจึงไม่ใช่เราเป็นเรื่องของขันห้าเป็นธรรมชาติของขันหน้าเขาก็มีความกลัวมีความลักรักตัวของเขาแต่เราไม่มีเราก็เห็นแต่ขันหน้าเขาแสด ง, งการไป่ักความกลัวความรักตัวอะไรนั่นเข้าไปแต่อันนั้นไม่ใช่เราเออ อะไรเงี้ยฟังไอ้ตรงนี้จะเข้าใจคนเนี้ยคนเนี้ยวิวเนี้ยเขาฟังไอ้แท็กที่คุยกับอุ้มเมื่อเกี้เข้าใจเลยลองเปิดแท็กนี้ฟังดิเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยฟังกันเข้าใจหมดปอยกเลยผู้อื่นฟังเข้าใจจะถามมาเข้าใจฮะอันนี้เราถามมากกันก็ะไหนแล้วคอ่คอยฟังมาจะถามก็ฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจเนาะแต่ว่าปัญหาคือบ่อยก็เลยพอเผยปุ๊บก็จะคิดว่าอาละจะตั้งใจขึ้นมาละ เราคิดว่าจะตั้งใจมันต้มีเกิดตอนไปเพ่งพรามันติดแบบเดิมว่าไปเพ่งจะสร้างผู้รู้เพราะว่าการิที่ลวงตาที่กำมานั่งนั่งนี่ผมเคยทาอยางนั้วนะคือว่าจะสร้างผู้รู้มาเพ่งตัวเองพอเพ่งตัวเองไปแล้วมันก็เห็นสภาวะพอเห็นต้นจิตเราคิดว่าต้งจิตพอเห็นแว๊บขึ้นมาเราก็เพ็นมันดำแวขึ้นมาันดันก็ทนี่แหละทําย่างเงี้แหละความเตือนาตั้งกูเลยมันจะได้ฝ้าเทสอยู่ พอมันเป็นไปอย่างนั้นมาก ๆ, ๆนะครับพอเราเห็นคิดตัวเองว่ามันจะคิดนะเราก็ไปเพลงมันปุ๊บมันก็ดับจะคิดนั้นนะจะจําจะอะไรก็ตามแบบเพลงปุ๊บมันดับเพลงปุ๊บมันดับพอ น, นานๆนนๆเข้ามันลืมหมดแล้วเพลงในอดีตที่เคยร้องด้จังเพลงก็ลืมเบอร์โทรศัพท์เพื่อนก็ลืมคือทุกอย่างที่ดวงตาพูดตาดวงวันนะะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเนะะี่ยอืมคราวนี้พอสักพักหนึ่งผมก็เริ่มรู้ตัวว่าเอ๊ะ เราชัผิดปกติอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้มาฝังธรรมนะครับสองตาผมก็เลยเลิกทําเลิกทําเลิกทําเพราะว่ามันมีปัญหาเวลาเราจะทาํางานเนี้ยหยิบสมนวนขึ้นมาอ่านหรืออะไรก็ตามแต่เนพอจิตมันจะไปทํางานเนี่ยมันจะรู้สึกเบื่ อ, เ, อเราไม่มีความสุขเลยที่จะต้องไปอ่านหรือจะต้องไปคิดเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสมนวนสมมุตินะครับเราอยากจะเห็นจิตมันแวบระดับแวบระดับเท่านั้นเอง แล้วสภาวะอย่างนี้นะเราคิดว่ามันใช่คราวนี้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันทํางานไม่ได้ผมก็เลยเลิกทำเลิกทําเลิกทำเลิกทำลกลับมาเป็นคนปกนติมันก็เลยรู้สึกว่ากลับมามีโรคปวดหลงอะไรเหมือนเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บผมมาปฏิบัติธรรมม า, ม า, ม, ามาฟังหนูตาตั้งแต่ที่หนูตาไปที่นครนายกครับหนูตาบอกว่ารู้เนี่ยมันก็คือมันรู้อยู่แล้วตาเห็นก็ต้องรู้ใช่ไหมครับลมมากระทบมันก็ต้องรู้ว่าร้อน เย็นอะไรเงี้ยมันสังเกตดูมันก็จริงแต่ครัเนี้ยมันเผลอบ่อยคือมันเหมือนกับว่าพอเราไม่ตั้งผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจทํำนี่ฮะอ่ามันก็เลยตอนหลังก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เลยสังเกตเขาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันจริงนะเวลาที่เราไม่ตั้งผู้รู้เนี่ยมันง่ายคือว่ามีสภาวะอะไรกระทบเราก็รู้สึกว่าเออมันกระทบเราก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่เราสมมติว่ามันบวกก็คือบวกมันลบ ก, ก็คือลบ ก, ก็ช่างมันแต่ครั้เนี้ยปัญหาของผมคือมันเผลอบ่อยครับอาามันเผลอบ่อยเพราะว่ายัง ไ, ไงไม้ปัญญาที่เข้าถึงไอ้ที่เราเข้าใจถึงความจริงอันสูงสุดที่มันมันไม่มีตัวเราเนี่ย ไม่มีตัวตนของเราเลยมีแต่กิริยาขัานห้าเขาแสดงขึ้นในปัจจุบันแล้วไม่มีตัวเราก็นเจอเจยเนี่ยปัญญาที่รู้เห็นเนี่ยตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยคือปัญญาไม่ใช่ว่าไม่ถึงว่าแคคิดเอาแต่ปัญญาที่เราเนี่ยที่เข้าใจแล้วเนี่ยตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราเนี่ยมันมีแต่ขนาน้าแสดงอาการเนี่ยปัญญานี่ยเราเข้าใจถึงอันนี้แล้วเราก็เห็นเนี่ยรู้เห็นเนี่ยอย่างที่ปัญญาเราเนี่ยอาศัยปัญญากันคือคือการก iker, ที่เราจําจดจําได้เนี่ยเัาฟังทแล้ว หรือว่าเรอาอาจจะบอกสอนในระยะแรกๆว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราเหรอกแล้วมีใครอมายุ่งวุ่นวายกับอาการของของใจเนะี่ยในเมื่อตัวเราไม่มีถ้าไม่มีตัวเราจริงๆก็แสดงว่ามันจะต้องมีแต่อาการท้องใจไม่มีตัวไม่มีใครเข้าไปแทรกแจงก็ตัวเราไม่มีแล้วจะมีใครไปแทรกแจงอะไอ้ผู้ที่แรกแจงได้ผู้ที่ไปจัดการอะไรได้แสดงว่ามันม่ใช่ตัวเราไอ้ปัญญาขั้นเนี้ยมันจะปัญญาในขั้ขนที่ที่เราเนี่ยเกิดจากการฟังเกิดจากการที่เราเราเรียนรู้มา เราปัญญานี้เราทิ้งไม่ได้อีกตลอดเวลาถ้าไม่ทิ้งปัญญานี้มันจะไม่เหม่อเพล่เพหรอกเพราะว่ามันจะไม่ขาดตัวติเป็นเหื่อเพล่เพลย์และอื่นถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้กัดติดอยู่ตลอดเวลาอย่างจดย้อนสอนเนื้อนั้นพอมีขัน้ากิริยาการอะไรกันเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเราเข้าไปสเสวยไ ม, มีตัวเข้าไปสแสดงอาการแต่พอเราเผลอกันเนี่ยไอ้เผลอที่เหม่อลอยไปเลยเนี่ยมันไม่มีมันจะมีเผลอคือเผลอเอาตัวเราเข้าไปสแสดง แสดงกฤติาการแสดงอาการเป็นผู้รู้หรือแสดงแอคชั่นอะไรขึ้นมาก่อนบางทีโกรธรู้ทั้งรู้ว่าโกรธแต่มันก็ไปแต่มันก็โจรไปแต่เราก็ฝึกในกคำว่าปกตินั่นที่ไม่มีลงกระทบไม่อะไรที่ไม่มีอารมณ์โกรธอารมณ์ที่มันรุนแรงมันฝึกไม่ได้หรอกเราก็ฝึกในขณะที่เราไม่ยังไม่มีกระทบอะไรที่มไม่โกรธรุนแรงหรือเป็นกิเลสราคะอะไรรุนแรงเรวก็ฝึกในคำว่าปกติที่ไม่มีร า, าคะรุนแรงความโลภรุนแรงความโกรธรุนแรงเนี่ยแล้วก็ฝึกในคำว่าปกติเนี่ยคือ เราอย่าเผอเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งเองก่อนถ้าเราไม่เผอเอาตัวเราเข้าไปปรุงแต่งแค่นั้นอยู่ๆเนี่ยกิริยาการน้ำจิตเนี่ยเขาก็จิตปกติเก็สแสดงเขาเองเข <c oughs> าจะดับไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ตายตัวเรายังไม่ตายขันห้ายังไม่ตายขันหน้าก็ต้องแงสดงกิริยารเป็นกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็ต้องส่งต่อความรู้สึกเวทนาว่าสิ่งใดถูกใจก็รู้สึกเป็นถูกสิ่งใดไม่ถูกใจก็รู้สึกเป็นทุกข์ แล้วก็ส่งต่อสัญญาคือจําได้ไหมายรู้ส่งต่อสังขารคือความคิดนั่นคือต่อปรุงแต่งจําได้ไหมารู้ว่าใครเป็นใครเราจึงสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตามปกติเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าคนนี้เป็นใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาใครเป็นลูกใครทํางานที่ไหนอะไรเนี่ยเราเลยจําได้หมดสมหรเรื่องปกติต้องจําได้ต้องต้องรู้เห็นเข้าใจแต่คนใหญ่สุวใหญ่ไปตัดทิ้งหมดอย่างที่เธอว่าเนี่ยที่บอกพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ตัดทิ้งหมดเลยพอมันจิตแสดงอาการเป็นความคิดขึ้นมาแล้วก็เรา ปรุงแต่งเป็นผู้รู้ไปดับไปหมดเลยทันทีพอกิ้ง่าปรุงแต่งเป็นผู้รู้ไปดับไปดับความคิดอดนั้นทันทีจิตมันก็เลยว่างอย่เงี้ยทำให้เราทํางานไม่ได้ซื้อบื้อเออไปเลยแล้วความจำํำชื่อเพื่อนความจําโทรศัพท์ก็ค่อยๆหายไปแต่เราไม่ได้ปล่อยให้กระบวนการของขันห้าเขาทํางานเขาทำปกติคือกระทบอะไรพุกดงตาหูจหมูกลิ้นกายใจถ้าถูกใจมันก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกขเวทนา เข้าใจแล้วก็ส่งต่อไปยังสัญญาคือความจําได้ไหมรู้ส่งต่อไปยังความคิดหนึ่งตอนปรุงแต่งเขาก็จําได้ไหมรู้คิดถึงตอนปรุงแต่งไปให้รู้ว่านี่คืออะไรเป็นอะไรความจาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกับรูปถ่ายภาพนิ่ง่ส่วนที่มันรู้ว่าใครเป็นใครเป็นลูกเป็นหลานใครสามารถติดต่อพูดคุยกันเนี่ยเรามาคุยกันได้เนี่ยอันนี้มันเป็นวิดีโอที่ใ้ภาพเนี่ยมันหมุนไปมันก็เลยคุยกันได้อย่างต่อเนื่องตอนฟังซีดังตายนมันก็กล้องอหที่ตาบอกว่า คนไปถามปุณณ์ดนะว่าท่านยังมีโกรธไหมูุณณ์บอกมีแต่ไม่เอาเนี่ยครับก็คือเข้าใจแล้วว่าขันท่ามันต้องทํางานเป็นกระบวนการของมันแต่ไม่มีใครไปยึดขันท่าตัวตนไม่มีโกรธมีอารมณ์มันต้องมีอารมณ์ของมันคือมันมันไม่ใช่พระอิปปุลนะครับเป็นคนมันก็ต้องมีอารมณ์อะไรแต่ว่าต้องไม่ได้ยึดอืมแต่ครั้เนี้ยมันก็ยังเผลอไยึดอยู่เลยปัญหาตรงนั้นก็เลยต้องิดว่าต้องฝึก แต่ว่าเรื่องทำเรื่องอะไรที่ต่างๆมันต้องก็ได้บอกว่าเ น, นี่ยตอนแต่ว่าตอนที่เรานี่กระทบอะไรให้เกิดอารมณ์รุนแรงอ่ะยิ่งนี่ยว่าปกติเนี่ยตาเราไม่ไปมองอะไรเป็นกิเลสหูไม่ไปกระทบอะไรให้ให้โกรธอ่ะแต่เพราะว่าปกติเนี่ยเราต้องฝึกแบบฝึกตอนเนื่ยไม่ขาดสายคือตัวยังไม่ไม่เอาตัวเราเนี่ยไปแสดงแอคชั่นแสดงจริยาการแสดงเป็นความคิดความนึกเอาเราไ ป, ไปลงไปพิจารณาเองผู้นึกเองหรือเอาไปจ้องดูเอาไปเพ่งเอาไปวิเคราะห์ คือตัวเราจะต้องไม่แสดงแอคชั่นออกมาไม่แสดงเป็นกิริยาการออกมาแสดงการกระทําออกมาหรือแสดงเป็นพฤติพฤติแห่งจิตอะไรออกมาเลยแต่ปล่อยให้จิตเนี่ยเขาแสดงกิริยาการของเขาเองแล้วเพื่อจิตเขาแสดงกิริยาการเองก็ปล่อยให้เรื่องเขาแสดงเองแล้วเขาก็ดับมันเขาเองแสดงเองแล้วเขาก็ดับมันเขาเองไม่เกี่ยวกับเราเลยเพราะเราไม่มีตัวตนไงเมื่อไรที่เราเนี่ยไม่ไม่ไม่เพ้อไปแสดงเองไปที่หล่นไปค้นหาไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์วิจัย ไปเพ่งไปตึกถ้าตัวเราเนี่ยไม่เริ่มต้นก่อนแล้วไม่สตาร์ทขึ้นมาก่อนเนี่ยจะไม่เป็นพร้อมหลงแล้วมันจะมีแต่ขันห้าแสดงกิริยาการไปและจะไม่ปรากฏตัวตนของเรานั่นคือธรรมชาติเดินแทดงของเราเป็นอย่างนั้นคือความไม่มีตัวตนโดยที่เราไม่ต้องไปท่องเลยถ้าเราไม่ปรากฏแอคชั่นอะไรขึ้นมาไม่แสดงไม่ปรากฏไอ้กิริยาการที่ไม่ปรากฏพฤติกรรมอังกฤษทําที่แสดงอะไรขึ้นมาก่อน ปล่อยให้จิตขนาน่าเขาแสดงเข้าไปเดยไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับเขาไปแทรกแซงเขาเขปล่อยให้ขนาน่าเขาแสดงไปอย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติแต่ไม่ปรากฏตัวเราแสดงแอคชั่นแสดงกิริยาอาการแสดงพฤติแห่งพฤติแห่งจิตเวยเข้าใจะะไหย จิตมันแสดงไปแต่ร่างกายมันเหมือนกับจิตมันสั่งให้อยากทำแอคชั่นอะไรเราต้องกดควบเลยว่าไม่ก็เพราะเราไม่มีตัวเราแสดงตัวเราไม่มีจริงไม่มีตัวเราไปแสดงแอคชั่นเพราะตัวเราไม่มีนี่ไม่มีตัวเราจึงไม่มีตัวเราไปแสดงแอคชั่นแต่ขันห้าก็ต้องแสดงแอคชั่นในอิสระเสรีแต่ไม่มีตัวเราถึงก็จะแสดงไงก็ไม่มีตัวเราเเออราก็ต้องฝึกกันต้องฝึกในภาวะที่ไม่กระทบให้เกิดอารมณ์รุนแรงแล้ว ที่เป็นความโลรุนแรงราคะรุนแรงโทสะรุนแรงอันนั้นเราฝึกไม่ได้ตอนนั้นนะเราต้องฝึกในธรรมปกตินี่เหี่ยแล้วพอฝึกไปเรื่อยเมื่อจะไม่มีตัวเราพอเจอธรรมะว่าตัวการดิจิงแรงแรงมันก็จะไม่มีงงมมมผู้สเสวยต้องแต่มีแต่อาการที่ไปเกิดขึ้นโกรธโมโหไปทก็ดับมันเองไม่มีใครเป็นสเสวยเ ข, นะข้าใจไหมเข้าใจบางอย่างแต่ยังทําไม่ได้เราก็ต้องฝึกต้องฝึก มันบางทีมันก็ไม่ทันสภาวะมันไปแล้วมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยะอย่างเนี้ยจะเปิดฟังได้ละตั้งแต่อุ้มมาแล้วพวกเราฟังเัื่อนในทีก็จะเข้าใจหนึ่งยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อตื่นมาลงตาไปปินทบาทก็อาจจะขอลาไว้เลยได้ได้ลลูก่ากันปเข้วรจะถานปลอดภัยนะ ใกล้ๆเลยเวลาที่พิดังนาคะผู้รู้ผู้นี้ยวงอะไรยังยังรู้อยู่ค่ะผู้รู้ผ่้ค่ะผู้รู้เป็นเป็นธาตุกิจหลกใช่ไหมคะคือเป็นธาตุรู้ที่รู้ยมัดของมันอยู่อย่างนั้นนะคะเวลาหลับมันก็ยังรู้อยู่ไ ก็รู้แต่มันไม่มันมันไอ้ตอนหลับมันขาสดสติมันเลยไม่รู้อะไอ้ผู้รู้เขารู้อยู่แต่ในปัจจุบันทำไมยังเอาตัวเราเนี่ยไปตึกอยู่ล่ะมันยังหลงเอาตัวเราไปเป็นผู้ตึกตองนะเนี่ยในปัจจุบันมันหลงกันยังยังหลงเอาตัวเราเป็นผู้ตึกตองอยูยยยอ่่นะ ทำไมตัวเราเมื่อกี้เราพูดๆกับเมื่อกี้ก็ได้ยินเนาะค่ะถ้าเราตัวเราจะไป็นผู้ติดตองอยู่ตัวเราก็จะเป็นสังขารขันหมดมันมันพัดหลงลงลงไปอย่างนี้ตลอดตลอดตลอดมันต้องไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะพยายามไปไปเค้นเราไปบังคับเราให้เราไม่เป็นผู้ติดตองนะค่ะถ้าเราวันนี้พยายามไปเค้นไปบังคับให้เราเนี่ยไม่เป็นผู้คิดติกตองเน่ย มันจะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พยายามสแสดงแอคชั่นเป็นผู้พยายามสแสดงสแสดงพฤติแห่งจิตสแสดงพฤติกรรมของจิตเีพยายามเป็นผู้พยายามเป็นความปุงแต่งย่งเป็นขันห้าก็จะไม่สิ้นว่าเอาตัวเราเนี่ยปุงแต่งเป็นขันห้าเป็นกิริยาการขึ้นใหม่มาไอ้กิริยาการของจิตเนี่ยมันจะปุงยังไงก็ตามเนี่ยผมปล่อยให้มันพุงขึ้นมาโดยอิสระเสรีจะไม่มีตัวเราขเข้าไปาเสวยเข้าไปแทรกแซงเลย มันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่นคือมันจะสิ้นความเป็นตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่ใช่ว่าเราพยายามไปปรุงให้เราเนี่ยไม่มีตัวตนให้มันให้มันเนี่ยเฉยเฉยไม่มีกิริยาการใดหรือพยายามปรุงให้ตัวเราเนี่ยไม่มีตัวตนเพียงแต่ว่าทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในใจของเราในปัจจุบันทุกๆกคิดทุกอาการเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าที่เราไปเรียกว่กากุศลอกุศลจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นช่างอะไรก็ตามต่อให้มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน เราก็รู้สึกอยู่ครับงงเสมอว่ามันก็คงเป็นอยู่อย่างมันที่มันเป็นจริงตามนั้นแหละแต่ไม่มีใครที่เข้าไปแทรกแซงมันเลยแล้วไม่มีใครหลงไปตามมันไม่มีใครหลงตามมันไปเลยคือว่าหลงก็ว่ามมเมืเ่อเผลอหรือมีอารมณ์ร่วมไปเรื่อยเฉยเพลอใจเพเผลอไปเลยใจไปตามความคิดเราหลงนั้นไม่มีมีแต่ว่าเราก็รู้ตัวอยู่ว่ารู้ตัวไม่ใช่ว่าไปสร้างความรู้สึกรู้ตัวอะไรเพื่นนะว่าไม่หลงเม่อไม่หลงเพลินไปกับความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ แต่ก็มันเกิดขึ้นก็ปล่อยมันเกิดขึ้นแหะแต่ไม่มีใครไปแทรกแซงมันไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปบังคับมันแล้วไม่มีใครเกลิ่นติดไปกับมันมันก็จะไม่ปรากฏมีเราเป็นตัวเป็นตนไม่ปรากฏตัวตนของเราเลยเราก็จะสิ้นความเป็นตัวเป็นตนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเปล่าที่ไม่ปรากฏตัวตนไม่ใช่เราไปทําความรู้สึกว่างว่ากลายเป็นธรรมชาติที่หนึ่งเปตน แต่พอเนี่ยก็หลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าในใจมันดึงมีตัวเราคอยมีตัวเราไปประกดะะเป็นพวกปรุงแต่งสร้างสภาวะเข้าไปดูไปดูไปดูค่ะคุณตาปรุงให้อะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะนอะ ม, มันจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย มันจะเป็นอะไรเราจะต้องไม่ปรากฏเป็นเป็นผู้ไปปรุงที่ที่ที่บอกว่าพยายามจะทําท่าทางทำพยายามไปปรุงก็ไปดูเอาเอาพยายามเอาตัวเราก็ไปปรุงดู<ไ>เนี่ยเราก็เลกิกพฤติกรรมอย่างนั้นไปซะเพราะเราเนี่ยจะต้องไม่มีตัวเราไปแสดงพฤติกรรมอะไรเลยมีแต่จิตเข้าแสดงพฤติกรรมเกิดขึ้นตัวเราไม่มี มันคล้ายๆงีจิตเขาเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เราชอบผู้ใด้ฟังก็คือว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยไปยืนขวางถนอนอยู่ไปยืนขวางถนนวันเวยอยู่วันเวย์แห่งความคิดนึกตรึกตองความรู้สึกความนึกความคิดความตึกความตองอารมณ์ต่างๆที่เป็นเหมือนกับเป็นรถที่วิ่งมาในวันเวเนี่ยสวนตัวเราออกไปข้างหลังอยู่ทุกคันทุกนาศปัจจุบัน แต่เราเนี่ยเหมือนกับเราไปยืนขวางวันเวไว้แต่ไม่มีตัวเราเหมือนกับเราเป็นมนุษย์ล่องหนเราเป็นมนุษย์ล่องหนที่ไปยืนขวางทางรถบันเวยแล้ววันรถวันเวยก็คือรถแห่งความรู้สึกนึกคิดตึกตองอารมณ์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกุศลน่ากุศลดีชั่วรักชางไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในใจเราในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบนันมันก็เหมือนกับรถที่วิ่งวิ่งบรรเวยสวนสวนผ่านตัวเราไปข้างหลัง แต่เราเนี่ยเหมือนกับเป็นมนุษย์ล่องหนที่ไปยืนขวางทางเนี่ยแล้วไม่มีตัวเราเนี่ยแสดงกิริยาการแสดงพฤติกรรมอย่างจิตอะไรเดียที่ไปแสดงท่าทางเป็นรถอีกคันหนึ่งอ่ะสวนเข้าไปในรถฟันเวย์เช่นแสดงกิริยาการเป็นผู้ดูจิตแสดงกิริยาการพฤติกรรมเป็นผู้รู้จิตแสดงพฤติกรรมเป็นผู้เพ่งจิต แสดงพฤติกรรมไปวิเคราะห์วิเคราะห์ลถที่มากิยาการที่เกิดมาหรือแสดงพฤติกรรมที่ไปว่าดิดด้นรนก้นหาพยายามบรรลุหาทางบรรลุนิพพานเราจะกลายเป็นรถสร้างรถที่วิ่งเป็นรถแต่ลาคาแต่ราวิ่งสวนทางจิตรถวิ่งสวนทางกับจิตที่มันแสดงพฤติแห่งจิตเนี่ยสวนทางสวนสวนตัวเราผ่าตัวเราไปผ่าตัวเราไปไม่มีตัวเราเนี่ยไปแสดงพฤติแห่งจิตเลยเพราะเป็นหน้าที่ของจิตเนี่ยเขาที่เขาแสดงพฤติกรรมแห่งจิตของเขาเนี่ยแล้วแต่ว่า ก็จะแสดงเป็นอะไรแล้วก็วิ่งผ่านตัวเราทะลุไปข้างหลังไม่มีตัวเราเหมือนกับตัวเราเป็นมนุษย์รองหนเนี่ยนั้นเหมือนกับตัวเราจะเป็นม่องหัวหรือไม่มีตัวเราแล้วแนีะไม่มีตัวเราที่จะไปแสดงพฤติกรรมอะไรเลยมีแต่จิตเขาแสดงพฤติกรรมผ่านตัวเราไปผ่านเราไปทุกอย่างปล่อยมันผ่านไปผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปนั้นมันจะเป็นกิริยาการใดก็ได้แต่ไม่มีตัวเราแสดงอาการไม่ต้องสร้างอะไรทั้งสิ้นใช่ถูกต้อง แล้วถ้าอย่างนั้นเ น, hmm. นี่ยไม่ต้องตึงด้วยไม่ต้องเครียดด้วยไม่ต้องรู้สึกเป็นภาระด้วยจะเป็นยังไงก็เป็นในกิาการของจิตเป็นรถบันเวในขณะนั้นที่วิ่งผ่านไปผ่านไ ป, นปนก็เอออยาผ่านไปก็ผ่านไป เ, าาน iyoruz, เราเหมือนกับเราไม่มีตัวเนี่ยแต่เราเหมือนไม่มีตัวแต่เราไปอยู่เหมือนกับไปอยู่กลางถนนที่บันเวที่วิ่งสวนที่วิ่งผ่านเราไปผ่นานเรเาไปแต่ไม่มีความรู้สึกมีตัวเราไปสวนสวนสวนทางรถบันเวเข้าไปไม่มีความรู้สึกมีตัวเราเป็นผู้ดูสวนทางรถบันเวเข้าไป แต่มีแต่ทุกกิริยา ก, การของจิบน้าาําผ่านตัวเราทะลุไปข้างหลังผ่านตัวเราทะลุไปข้างหลังเพราะตัวเราไม่มีเหมือนตัวเราไม่มีแต่มันรู้อยู่นะมันก็เลยเหมือนกับมีแต่รู้อยู่ไปอยู่การขวางถนนอยู่แต่จริงๆไม่มีตัวเรารถทุกคันที่ผ่านเราไปหมดและรู้เนี่ยมันเป็นธาตุรู้ธาตุจะไม่ได้เป็นก้อนเป็นแท่ง ธาตุนี่แปลว่าคุณสมบัติของรู้มันคือความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยสักอย่างมีแต่รู้ในเ่อรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งทุกกิริยาการของจิตมันจะเหมือนกับเป็นรถบรรทุนที่ผ่านผ่านกายผ่านผ่านไอผ่านผู้รู้ไปผ่านผู้รู้ไปโดยที่ไม่มีผู้รู้ไปแสดงกิริยาการใดๆเพราะว่ามันเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆเลยดังนั้นทุกกิริยาการที่จิตมันแสดงกิริยาการมันจึงผ่านผู้รู้ผ่านไปผ่านเลยไปผ่านเลยไปเหมือนกับรถบันเวนที่ผ่าน ผ่านตัวเราแล้วผ่านจิตแล้วก็เลยเรื้างหลังผ่านจิตผ่านผู้รู้แล้วเลยเ้างหลังผ่านผู้รู้แล้วเลยเรื้องหลังมันไม่มีอผู้รู้ที่แสดงเป็นตัว g, หรือเป็นพฤติกรรมอะไรที่แสดงได้ที่จะไปส่วนทางวันเวทพอจะเข้าใจไหมเงี้ยพอจะเข้าใจอย่างนี้่ยงงี้มันก็จะหมดภาระทางจิตไม่มีภาระอะไรที่ต้องไปทําอะไร ก, ก็ปล่อยมันเป็นอย่างเงี้ยก็ เ, เหมือนกับผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มี ไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีพฤติกรรมอะไรที่จะต้องแสดงไม่สามารถที่จะแสดงกิริยาการใดๆได้ไม่ขวางอยู่ตรงทางวันเวของอาการของจิตทุกอย่างทั้งหมดที่วิ่งผ่านผู้รู้ไปวิ่งผ่านผู้รู้ไปไม่ทราบตัวอย่างนี้พอจะโดนใจบ้างไหมมาช่วยกันซักได้นะกำลังนั่งนี่เลยตรงเนี้ยเรจะเข้าใจค่ะอืม เราวัดจะเข้ามาช่วยตักระได้นะมามาแม่เป็นคนหลงตาแล้วค่ะเออไรเออเข้าใจมันชัดเจนจริงๆแล้วเข้าใจดีกี่ก็ป่าดูสิินิดนึงเอาให้จริงจริงซะก่อนนิดหนึ่งเอาให้หมดเลยไม่ต้องมีนิดเดียวอืออดไ่สมันสร้างไเป็นอะไรหลงตามันเหยความคุ้นชินมันจะสร้างอะไรมันก็ ตอมันจะสร้างอะไรมันก็เป็นรถวันเวย์ทั้งหมดอ่ะไม่มีการห้ามนะไม่มีการแทรกแซงไปอิสระ แ, แท้ๆเลยมันจะสร้างอะไรไม่ใช่เราเป็นจิตหมดเลยเป็นอาการของจิตที่เป็นรถวันเวย์หมดเลยผ่านไปผ่านไปทีนี้ปอพยาพยามพยายามสติยายามว่ากิตมันมีอาการยังไงแล้วก็มองให้มีส่วนของผ่านปอก็เลยมองแล้วก็สร้างสะพานแล้วก็มอง้สรางสะพาน่เราเห็นในนี้ที่เห็นว่าที่ที่พูดเนี่ยที่เราพูดเราพยายามจะไม่มอง ไปมองจิตมันเป็นจนกระทั่งมันเป็นความคืบเคยเป็นความชินที่แเราเนี่ยเข้าไปมองจิตแต่ทุกขณะที่เราเข้าไปมองจิตเนี่ยให้มันเป็นในคันเนี้ยเป็นรถที่วิ่งเข้ามาในวันเวย์อากาศที่เข้าไปมองจิตเป็นรถที่วิ่งเวไม่มีตัวเราได้แต่รู้ว่าแล้วใครบางคนรู้ว่ามันมีตัวเราคอยแสดงแสดงพฤติกรรมไปมองจิตแสดงว่าไอ้เหนือเหนือผู้ไปมองจิตเนี่ยมันมีผู้ผู้ผู้รู้มาที่มาบอกเราได้ว่ามันมีพฤติกรรมตัวเราชอบสร้างสร้างตัวเราไปมองจิต แสดงว่ามันมีผู้เหนือตัวเราทุกทีอีกมันรู้ว่าตัวเราเนี่ยทรางปฏติกรรมผู้ไปมองจิตดังนั้นเนะี่ยไอ้กิริยาการของจิตเนี่ยที่เข้าไปมองจิตเนี่ยมันถูกรู้มามันจึงเป็นรถที่วิ่งผ่านวันเวผ่านผ่านผู้รู้ไปไอ้ผู้รู้จึงตอบได้ว่าเนี่ยมันมีกิริยาการที่ไปดูจิต ถ้าเราบอกว่าวิ่งผ่านสวนเรามาไม่ไม่เข้าใจเขาวิ่ผ่านข้างหลังตัวไปไปออกไปข้างหน้าก็ได้จะวิ่งผ่านหลังของตัวเราผ่านด้านหน้าก็ได้หรือจะผ่านจากข้าหน้าเข้าไปข้างหลังก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดด้านไหนมันป่อยนิดมันสอนติดไปเรื่อยๆเป็นมันไหลไหลไหลไปเรื่อยๆก็ก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไอ้คนที่พับพับาพับพับี่ก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้คนที่มองเห็นก็ไม่ใช่เราออื แต่ต้องต้องฝึกเนี่ยไปเรื่อยเร่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะคุณจีนหใช่ใช่รู้สว่าหนูต้องใช้ฝึกอย่างนั้นนะคะลางตาถูกต้องก็ต้องฝึกเนี่ยต้องฝึกทุกคน<ช>ต้องฝึกแค่ไหนเนื้อเหมือนตอนเนี้ยคะ่ะปอพยายามฝึกเพราะว่ากัดเดิมแล้วอะ่ะปอเคยเคยเห็นแต่ว่าสังขารมันไม่ใช่ไอพวกกายเนื้อค่ะมันไม่ไใช่เร า, าแต่ว่าไม่ไม่เคยฝึกมองเลยว่าจิต ไม่ใช่เราไม่ใช่เราค่ะหลวงต า, า ก, ก็เลยพยายามพยายามสอนมันเหมือนที่หลวงตาบอกว่าให้ให้สอนมันสอนเด็กกะค่ ะ, ะกับที่มันไม่เคยรู้เลยค่ะพยายามดูว่าพยายามสอนร่อันนี้มันสังขารนะสังขารนะมันเลยมีตัวเข้าไปสอนบอกบอกบอกบอกมันตลอดเวลามันเดยเป็นตัวตั้งขึ้นึน่งค่ะแต่ก็เห็น ก็สอนมันอีกว่าให้เห็นว่าไอตัวตั้งขึ้นก็สังขารเหมือนกันก็สังขาอนกันความจริงถ้าไปจอมไปตัวบอกตัวสอนเลยเนี่ยมันเหมือนง่ายเหมือนทิศฝ่ามือเลยอ่ะก็เนี่ยทุกอย่างที่มันแสดงกิาการที่กำลังพูดกับเราเนี่ยตัวพูดกับเราตัวที่นึกนึกตานะปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเลยจะไม่มีใครอยู่งกับมันเลยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยไม่ต้องมีใครไปคอยบอกสอนมาเลย เนี่ยไอ้ตัวที่นั่งอยู่พนมมืออยู่แต่หน้าเราเนี่ยปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเลยมันจะคิดจะนึกจะตึกจะตองจะทําพฤติกรรมอย่างไงปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเลยแตไม่มีตัวเราเลยไม่มีตัวเราเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่คิดอยู่เนี่ยตองอะไรคือวางปล่อยวางไอ้ตัวนี้ไปหมดเลยไอ้ตัวเนี้ยจะคิดยังไงตัวที่นั่งพนมมืออยู่มันจะคิดจะนึกจะสึกจะตองปล่อยมันไปเลยไม่มีการหาเหตุผลกับมันทั้งสิ้น มันจะเป็นยังไงปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเลยมันก็ไเ่มีอะไรเลยใจก็สงบแล้วว่างเปล่าเลยเมื่อเราไม่หาเหตุผลอะไรไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรมันก็สงบละว่างเลยมันไม่มีการหายเหตุผลอะไรอย่างทเลย คือปล่อยให้ตัวนี้ตัวที่นำความนโมอยู่นมันเป็นอย่างที่มันเป็นเลยมันจะเป็นยังไงปล่อยมันเป็นอย่างนั้นเลยมันจะคิดจะนึกจะตื่จะตอนจะมีอารมณ์อะไรมีความรู้สึกไงปล่อยมันเลยปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเลยไม่ไม่มีใครไปหาเหตุผลกับมันเลยไม่มีใครไปหาเหตุผลกับมันนะละป มันไม่มีืแล้วต้อจยเลิลืลวกมันจะหายไปหมดเลยต้องกระจายเอาตัวเองเป็นความรู้สึกใครมันจะหายเวลาันห้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันจะมีใครหายปไหนนะขันห้ามันยังมีอยู่บ่นอะไันห้ามันก็แสดงกิาการมันไปนี่ใหญตัวพนรมือยังอยู่มันจะไปหายจากโรคนี่อะไรมันยังอยู่ในมัน มั่นใจจริงก็เปล่าหึมั่นใจครับมันก็เลยคือมัน <c oughs> จะต้องฝึกไปเรื่อยคือมันเห็นเห็นเห็อยู่แล้วนะคะ่ะแต่ว่าก็รู้ว่ามันมันไม่มีเรามันไม่ใช่เราแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยน่นแหะครัที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆมันยังคอยหาเหตุผลได้มันแต่คนที่หาเหตุผลไอ้คนที่มอยก็ไม่ใช่เรา มันก็ยังปล่อยวางไม่จริงที่เราพยายามเดี๋ยวจะฝึกไปเรื่อยๆ ม, มันก็มีเป้าหมายคือจะมีตัวเราไปเป็นอะไรไ ม, ไมีเป้าหมายว่าถ้าเราเราฝึกไปล่าที่สุดแล้วมันจะเป็นอย่างไรเราไปวางเป้าหมายไว้ในเมื่อไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราจึงไม่มีเป้าหมายที่ว่าจะมีเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วให้เราเป็นอะไร มีแต่เราปล่อยวางว่าให้เห็นว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราก็วางไปเลยแล้วก็ทุกอย่างขันห้าก็ก็คงแสดงพฤติแห่งจิตพฤติกรรมเข้าไปเนี่ยอยู่ในเป็นของมันในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดไปมันเป็นเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปไปคาดหมายว่าเดี๋ยวจะถ้าเราฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงก็วางเดี๋ยวนี้เลยวางวางทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันก็จะสิ้นความเป็นตัวตนของเราไปเลยตัวเยวนี้ ถ้าไม่มีผู้จะเอาเดี๋ยวเนี้ไม่มีผู้คิดว่าเดี๋ยวจะเราไปฝึกให้เป็นอะไร <Got it. S 2> ถ้าเราไปคิดว่าจะฝึกให้เป็นอะไรก็มีตัวเราที่จะไปเอาอะไรพยักโดยเราคาดหมายว่าถ้าเราฝึกเสร็จเราจะเป็นอะไรมีตัวเราไปเป็นอะไรในเมื่อตัวเราไม่มีเพราะนั้นไอ้ทุกกริยาการน้องขันห้าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันจึงไม่มีตัวเราที่ที่ที่จะไปเป็นอะไรกับมันไม่มีอะไรไมาทาอะไรกับมันไม่มีการไม่มีผู้มาแทรกแซงมันพอคิดสิ่งนี้มันจะกลายเป็นมูกินหานเนี่มันก็จะกลับวนมาเป็นแบบเดิมยังไง คือพอพอเราคิดแบบว่าเดี๋ยวเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเป็นอย่างนี้แต่มันก็จะวนกลับมาหลงว่าเอาเราไปเป็นอย่างนั้นเอาเราไปเป็นอย่างใช่ทุกต้นะก็เราไม่มีก็มันก็มั่วตายแบบนั้นเนี่<ฆ>เราปฏิบัติไป<ฆ>เดี๋ยวจะขอไปปฏิบัติฝึกให้มันมันเป็นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นงูกินหาง<ฆ>ตอนนี้ก็มีเราที่จะไปตามสเสบยไล่จับเงาไล่จับสิ่งที่ควา้าไล่จับคว้าเงาไม่ได้ตัวอะไรเลยตอนนี้จึิงแล้วเรากลัวมันจะว่างเปล่า ก็ไม่ใช่มันยังเข้าใจไม่ถึงใจมากกว่าว่าถ้าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราแล้วมันจะมีใครไปทำอะไรจะมีใครพยายามไปฝึกอะไรมันเป็นเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้วางซะก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจไม่มีตัวเราเลยแล้วจะมีใครไปเป็นอะไรก็ปล่อยให้ในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างที่มันเป็น ในเมื่อตัวเราไม่มีก็ไ ม, ม่ไม่มีว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำอะไรเพราะไม่มีตัวเราก็มีแต่ขันห้ามันก็แสดงกยายการของมันไปเรื่อยๆแต่ไม่มีตัวเราไปทำอะไรกับขันห้าเพราะตัวเราไม่มีจึงไม่มีว่าเดี๋ยวเราไปฝึกเดี๋ยวเราจะตัวเราจะเป็นอะไรอย่างไั้่าจะมีตัวเราแสดงว่าในใจมมีตัวเราอยู่มันเดี๋ยวนี้เลยเนี่ย ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรามก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยก็มีแต่ขันหน้าจะขันหน้าขันหน้าขันหน้าขันหน้าไปตลอดชีวิตแต่ตัวเราไม่มีไงเหมือนในเนี่ยขันหน้าเหมือนมือมือที่กลางมามีห้านิ้วเนี่ยในปฏิบัตินี้ก็มีขันหน้าอย่างนี้โผล่ขึ้นมีขันหน้าอย่างนี้โผล่ขึ้นมีขันหน้าอย่างนี้โผล่ขึ้นมีขันหน้าอย่างนี้โผล่ขึ้นแต่มันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่มีตัวเรามันก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ดับไปโผล่ขึ้นมาแล้ววกก็็็ดดัับไไไปปแตตต่่่เเราามมีคงงนออยล จนกว่าจะถึงแ ก, ก่ควาตายแต่ตายก็ไม่มีตัวเราตายหรอกไม่มีแต่ว่าไอ้ขันห้านี่ก็ดับไปอาจาครับพอถ้าสมมติไม่ปล่อยเลยมันมันควรค่ภาวะที่มันเวิ้งเวิงแบบไม่มีนะเราก็คาดไวยเอาตรงนั้นไม่มีเราไปคาดหมายว่าถ้าปล่อยหมดเลยมันจะเวิ้งว้างไม่หมดเลยมันไม่มีที่เกาะเกี่ยวไม่มีอะไรไม่จริงหรอกเพราะว่ามันตรงนั้นเปนเราคิดไปเองเพราะว่าตัวเราไม่มีแล้วจะมีใครเป็นอะไร ปัจจุบันมันมันไม่มีมันมีจจกขัห้าแล้วไม่มีใครยึดอนาควกมันก็ไม่มีใครยึดไม่มีอะไรหรอกมันก็เหมือนเหือนกันเหมือนกันจุกวจะตายจุกขันห้าจะแตกับเหมันะเพ่มอีกเดืนจิตก็เห็นไม่ดะเห็นมันจะเพื่มก็ปล่อยมันจะเพื่มไปแต่เราไม่ได้ไปยึดว่าอันนั้นเป็นของมันเป็นเราเป็เรื่องหยุดหาเหตุผลใดๆทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยได้ไม ในใจไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วหยุดาหาเหตุผลทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเดียเ๋ยวนี้แล้วมันก็จะเข้าใจเองเนี่ยด้วยใจของเราเองแล้วปล่อยให้พอมันเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเราแต่จิตก็ก็ยังแสดงอาการเขาอยู่เนี่ยแต่ไม่มีตัวเราแล้วพอเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเราจบแล้วเราสงบแล้ว เราหยุดแล้วเราจบแล้วเราสงบแล้วไม่มีตัวเราอีกแล้วไม่มีตัวเราที่กระเพื่มไม่มีตัวเราที่แสดงกิริยาการจิตใดๆเราหยุดแล้วเดี๋ยวเนี้ยแล้วเราหยุดตลอดการเราจบแล้วเราสงบแล้วเราว่างเปล่าแล้วตลอดการแต่จิตก็คงแสดงกิริยาการของเขานน้นเรื่อยไปคือขันธ์ห้ายังไม่ดับแต่เราจบแล้วเราสงบแล้ว เราว่างเปล่าแล้วเราไม่มีตัวตนแล้วไม่มีเราแล้วเราต้องหยุดเราต้องสงบเราต้องว่างเปล่าไม่ใช่เราไปแสดงอาการที่หล่นค้นหาเหมือนกับอย่างเนี้ยไอ้ตัวเราพูดมีความคิดนึกติดตอนเนี่ยมันเหมือนกับองค์ครีมานเวลาองค์ไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเราขนาน่าที่นึกติดตอนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา ไอ้ตัวเราที่กําลังคิดนึกนคือตองหายเหตุผลวิเคราะห์ อ, อะไรเราจะไปห้ามมันจะไปเช็คเราจะไปบังคับมันจะไปแทรกแต่งมันในตัวเราเนี่ยที่กําลังคิดนึ่นคือตองอยู่เนี่ยมันเหมือนกับองคุริมานแต่ธรรมชาติของธาตุรู้ที่ม ไ, ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวไม่ปรากฏอะไรเลยที่เขาเรียวกว่าพุทธะพุทธะเนี่ยเปรียบเหมือนกับหนังองคุริมานคือพุทธเจ้าเวลาองคุริมานเคลื่อนไหวเนี่ะ ก็เคลื่อนไหวได้วยความรวดเร็วเลยเพราะอกุริมานเนี่ยวิ่งเร็วกว่าไม้เคลื่อนไหวได้วยความรวดเร็ ว, รวแต่อกุริมานเนี่ยเคลื่อนไหวได้วยความรวดเร็วปานใดอกุริมาก็ไม่สามารถไล่ไ ล, ไล่ฟันพุทธเจ้าได้ได้วยบารมีของพระ อ, องค์อกุริมาก็ตะโกนเรียบพระเจ้าว่าสมณะล้นหยุดก่อนสมณรล้นหยุดก่อนพุทธพุทธ ะ, ทธะหมายถึงธรรมชาติของธาตรู้ในใจเราเนี่ยนะ เป็นดั้งเดิมเป็นจิตดั้งเดิมแท้ๆของเราเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าพุทธพุทธะหรือเราตะถาคตเนี่ยหยุดแล้วแต่ท่านสิโอกลีบาลท่านยังไม่หยุดโอกรีบาลกูวิ่งนะวิ่งจะเอาดาบไล่ฟันกุธิเจ้า วิ่งเร็วปานใดก็วิ่งขับไล่พระเจ้าไม่ทันด้วยบารมีของพระองค์องค์คุลิมาขับถลวนว่าสมณนะล้นหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ไอตัวเราตีคิดตีติกตองเนี่ยมันไม่มีหยุดหรอกมันเหมือนองคุลีมามันก็วิ่งเร็วแต่มันเร็ววิ่งเร็วคิดเร็วเราจะเปรียบมันกับนั่นเป็นองคุลิมา แต่ไอตัวที่มันมันวิ่งเร็วเนี่ยคิดเร็วพูดเร็วคิดเร็วอยู่ในตึกตอนเร็วๆ เ, เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นองคุริมานแต่เราคือพุทธะพุทธะมีอยู่แล้วในพุทธเจ้าในพระอรหันต์ทั้งหลายในในปุถุชนในสัตว์เดรัจฉานในในเป็ดในสุรกายในสัตว์น ร, รกหมดพุทธะเนี่ยคือธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยที่อยู่ในอยู่ในขันห้าในแหนะแต่พุทธะไม่ปรากฏการเคลื่อ น, นไหวใด้ แต่ออกริมาณเปรียบเหมือนจิตที่เคลื่อนที่เร็วว่ากวิ่งเร็วมากธรรมะรถหยุดก่อนหยุดก่อนโอกริมาณวิ่งเร็วมากเลยแต่ทําอะไรพุทธะไม่ได้เพราะพุทธะไม่มีตัวตนพุทธะหยุดแล้วสงบแล้ววางเปล่าแล้วพุทธะปล่อยวางหมดแล้วพุทธะไม่มีตัวตนพุทธะสงบแล้วพุทธะวางเปล่าหมดแล้วพุทธะไม่มีตัวตน ดังนั้น อ, อกรีมาจะวิ่งเร็วยังไงก็ฆ่าพุท ธ, ธไม่ได้เพราะพุทธไม่มีตัวต น, นเราเป็นผู้สงบแล้วเป็นผู้ปล่อยวางหมดแล้วเป็นผู้ว่างเปล่าหมดแล้วเป็นผู้ไม่ ย, ยึดมั่นถือมั่นอะไรอีกแล้วเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาใดๆอีกแล้วถ้าท่า น, านยาังปรารถนาอะไรอีก ยังปรารถนาอยู่อีกท่านต้องไม่พ้นทุกแน่นอนเพราะพุทธะที่อยู่ในใจของเราทุกคนเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาอะไรไม่ปรารถนาแม้แต่ความสุขไม่ปรารถนาแม้แต่ความพ้นทุกข์นี่สําคัญมากนะถ้าเราดูหนังพระเจ้ า, มาหมาสัตว์ดาโลกตอนที่พระเจ้าคนพบพุทธะในใจของพระองค์เนี่ยมีคำพูดอยู่คำว่า พุทธะไม่ใช่กายเนื้อนี้พุทธะไม่ใช่กายเนื้อที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี้พุทธะไม่ใช่กายเนื้อที่มีความรู้สึกอนี้นั่นแหละคือพุทธะ